เปิดเนติปรกรณ์นนะมีเนติปรกรณ์กันมาไหมเมื่อกี้ถ้อยคำที่เราทั้งหลายได้สวด ย, ย่อบรรยสเสริญคุณพระตนาตรายยัยเนี่ยนะจึงเป็นการเจริญพุทธานุสติเจริญธรรมานุสติเจริญสังคานุสติขณะเดียวกันก็พิจารณาสังเวกขวัตุสังเวกวัตุนั้นก็ลักษณะของการเจริญวิปัสนาเนี่ยนะที่ปรากฏมีอยู่ในพระไตรปิฎก หลายสูตรมากนะเพราะว่าพราะผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายเมื่อยั ง, งทรงพระชนอยู่ถ้าพระองค์จะแนะนำวิปัสสนาก็เนี่ยรูปไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละนะดังนะที่เราสวดยกย่องสรรเสริญสาธยายไปเมื่อกี้มีข้อความในเนติปกรณเนี่ยนะครั้งก่อนๆเราก็พูดถึง เ, เววัจนะหระซึ่งถ้อยคำที่เป็นไวโพ์ แปลว่าถ้อยคําที่ใช้แทนเพื่อให้รู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นให้รู้จักพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสได้ดียิ่งขึ้นขณะเดียวกันทําให้เราทั้งหลายรู้จักความปฏิบัติดีของพระสงค์มากขึ้นวันนี้มาขึ้นศีลานุสตินะนะศีลานุสตินิเทศซึ่งเป็นข้อความที่ปรากฏอยู่หลายแห่งด้วยกันในพระไตรปิฎก เนติประกรณ์หน้าเจ็เอ็ดนี่ยนะเอ่อ <c oughs> ถ้ากล่าวย้อนนิดหนึ่งเนี่ยนะว่าที่เราทั้งหลายมาศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเ <c oughs> บื้องแรกที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเลยก็คือคือใครที่เราต้องรู้จักเป็นคนแรกให้ชัดเจน อันนะั้นก็คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมทำความรู้จักพระองค์ให้ดีให้พอแค่ไหนจึงจะพอบอกเป็นพระโสดาบันไปแล้วเป็นต้นนั่นแหละจึงจะมีคําว่าพอแต่ถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลอะไรแสดงว่าเรารู้จักพระองค์ไม่พอหรอกเพราะเรายังไม่รู้จักสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ขั้นการที่เราจะรู้จักพระพุทธเจ้าเพียงพอนั้นเราจะต้องรู้จักสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะขั้นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละ ทำให้พระองค์บรรลุเป็นพระอระหันต์แต่การตรัสรู้เหล่านั้นเกิดจากการที่พระองค์บำเพ็ญบุญกุศลมาจนเต็มเปีย่ยมตลอดระยะเวลาสี่สงไขยแสนกัปนี่แหละมันบุญกุศลที่พระองค์เจริญอย่างไม่มีอะไรขั้นนี่แหละไม่มีอะไรอยู่ในระหว่างทำด้วยความเคารพทำด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงทำด้วยความเสียสละทุ่มเทนี่แหละ ทั้งชีวิตจิตใจทั้งทุกชนิดที่มีอยู่ทุ่มเททั้งหมดเลยบำเพ็ญกุศลทั้งมวลจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอาหารหันต์นะอย่างที่เรารู้กันใช่หมสวดเมื่อกี้อาหารหันต์โดยทั่วๆไปก็นิยมแปลนในยะเดียวแต่คำเต็มนั้นพระองค์นั้นไกลาจากกิเลสกำจัดข้าศึกคือกิเลสหักเีกรรมแห่งสังสารจักรไม่มีความลับในการกระทาบา แล้วก็เป็นสุดยอดของนาบุญไม่มีนาบุญอื่นเสมอด้วยพระองค์อีกแล้วพระองค์นั้นไกลจากคนชั่วอยู่ใกล้กับคนดีผู้มีคุณธรรมทั้งหลายจะไม่ทอดทิ้งพระองค์พระองค์นั้นไม่มีบาปประทำรรไม่มีอกุศลธรรมทุกชนิดเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญซึ่งไม่มีผู้ใดจะสา ม, มารถยกย่องสรรเสริญพระคุณของพระองค์ได้อย่างสิ้นเชิง เพราะผู้ที่รู้พระคุณของพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงสามารถอธิบายได้โดยสิ้นเชิงก็คือพระพุทธเจ้าด้วยกันเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้เสมอกับบุคคลผู้ไม่มีใครเสมอคือเสมอด้วยการกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ตรัสรู้สิ่งเหล่านั้นโดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองด้วยบุญและด้วยปัญญาที่พระองค์สังสมมาทําให้พระองค์นั้นตรัสรู้ สิ่งที่ควรรู้ยิ่งสิ่งที่ควรกําหนดรู้สิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรเจริญสิ่งที่ควรทําให้แจง้งการตรัสรู้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะพระธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละทําให้พระองค์ได้สามารถเอาสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้มาอธิบายได้บุคคลอื่นพระปเ จ, จกพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรู้ท่านก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมท่านก็กําหนดรู้ท่านก็ละท่านก็ทําพระนิพพานให้แจง้งท่านก็เจริญอริย ม, มรรคอันประกอบไปด้วยองค์แป แต่ท่านเหล่านั้นไม่สามารถบัญญัติเอามาบอกแต่งตั้งประกาศเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นรู้ได้เพราะไม่ใช่วิสัยของท่านไม่ใช่วิสัยแปลว่าไม่ใช่อารมณ์ของท่านไม่ใช่ที่โคโจรของท่านเป็นโคโจรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้นสมบูรณ์ด้วยวิชาคือมีความรู้สารพัด ร, รู้ว่างั้นเถอะรู้ทุกอย่างที่ควรรู้ในโลก ยัไม่ว่าอดีตอนาคตปัจจุบันรู้สิ้นในการสามรู้อดีตด้วยปุเพนิวาสานสุสติยานรู้อนาคตด้วยจุตูปปาตยานด้วยอนาคตังสายานรู้ในปัจจุบันนี้ด้วยที่พรจักขวยานด้วยที่พระโสตะยานด้วยอิทธิวิทยานเป็นต้นยังไงขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังรู้วิธีที่ตัดอะไรตัดฉันทราคะในอุปาทานขันห้าโดยไม่มีส่วนเหลือ ความที่พระองค์เป็นผู้มีวิชาอย่างนั้นพระองค์จึงสมบูรณ์ด้วยความประพฤติในบรรดาผู้ที่มีความประพฤติดีไม่ว่าจะประพฤติดีทางกายทางวาจาเนี่ยนะกายวาจาเหล่าใดที่ควรแก่การตําหนิไม่มีโดยสิ้นเชิงสําหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ละเหตุที่เป็นเหตุให้ตําหนิดได้หมดแล้ว อันนี้ในวิสัยของคนดีนะวิสัยของมินยูชนแต่คนผานก็ยังตําหนิแล้วก็เอาเป็นประมาณไม่ได้ไม่เหมือนกับพระประเจกพระพุท่เจ้าเป็นต้นท่านเหล่านั้นยังละไอความประพฤติที่เคยชินที่บางส่วนที่ไม่ดีไม่ได้นีะโปรงนั้นจึงสมบูรณ์ด้วยศีลพปร่งมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ฝึกดีแล้วเรียกว่ามีอินทรีย์สังวร โปรงบริโภคทุกอย่างเกี่ยวข้องเข้าของเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารทุกชนิดที่พระองค์ขบฉันผ่านการพิจารณาให้ครวญอย่างละเอียดถี่ถ้วนขณะเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ไม่หลับไหลไม่หลงงมงวอยู่ในวัตะประพฤติความเป็นผู้ตื่นอยู่เสม อ, อตื่นตัวในอิรยาบด ท, ทั้งหลาย ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังตื่นภัยในวัฏะอย่างแรงกล้าเนะประพฤติเป็นผู้ที่ที่เรียกว่าสำนวนพระองค์ตรัส ว, ว่าจมวหลงเพลิดเพลินอะไรกันอยู่หนอเมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้โลกที่มันอย่างที่เรารู้เห็นกันอยู่นี้จมวเพลิดเพลินอะไรกันอยู่อะไรซึ่งเป็นพุทธพจน์ที่พระองค์เตือนไม่ใช่น้อยขณะเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้มีศรัทธานในกุศลธรรมทั้งปวง ยังช่วยให้ผู้อื่นเขาบริบูรณ์ด้วยศรัทธาพระองค์เป็นผู้มีหิริมีโอตปะอายชั่วกลัวบาปในโลกนี้ไม่มีใครกระลาอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปกรรมเกรงกลัวต่อทุกโทษภายในวัฏฏะเท่ากับพระองค์อีกแล้วเนี่ยพระองค์นั้นเป็นผู้หูตสทั้งโดยปฏิเวทแต่อดีตชาติพระองค์เป็นผู้ผู้หูตสโดยปริยัตเพราะพระองค์ทรงพระไตยบิฎกจากพระพุทธเจ้ามาแล้วหลายพระองค์ แต่ในขณะเดียวกันชาตสุดท้ายพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ผะโหสูตรโดยปฏิเวทไม่มีสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่เอามาพิจารณาไม่เอามาใคร่ครวญพระองค์ใคร่ครวญสิ่งที่พระองค์พิจารณาใคร่ครวญแทงตลอดในระยะเวลาประมาณสี่สิบเก้าวันตอนที่อยู่บริเวณโพธิมณฑลเนยนะ ถ้าหากว่าจารึกมาเป็นอักษรคงไม่มีที่เก็บในโลกนะสิ่งที่พระองค์พิจารณาสิ่งที่พระองค์คิดมากมากจริงๆงนะนพระองค์นั้นจึงเป็นผูสูตรอย่างแท้จริงสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ไม่เรียนไม่พิจารณาไม่ไข่ครัวนั้นจึงไม่มีในโลกนะขณะเดียวกันพระองค์เป็นผู้ที่มีสติสติที่ตั้งมั่นไม่มีคาว่าเบลอ ไม่มีคําว่าเลอะเลือนโดยที่สุดแม้แต่พระองค์ใช้คําว่าหามพระองค์ด้วยด้วยเตียงพระองค์ก็ไม่ไม่เลอะเลือนเนะเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะมั่นคงอยู่เสมอพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างแท้จริงอะไรปัญญาทั้งหลายที่ที่เรียกว่าอะไรที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเท่ากับปัญญาของพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วเพราะเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีปัญญา ปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นจึงเปรียบประดุดดวงอาทิตยามเที่ยงวันอยู่เสมอเป็นดวงอาทิตยามเที่ยงวันที่ไร้ไร้ไม่มีเมฆหมอกไม่มีธุลีเียนะไม่มีอย่างอื่นที่มาปิดกั้นให้ดวงอาทิตยามเที่ยงวันที่ที่ส่องสว่างเต็มที่เนี่ยพระองค์ได้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนั้นความที่พระองค์มีปัญญาเหล่านั้นเพื่ออะไร เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์มวลเวนยศัตว์ด้วยพระกรุณาทั้งหลายเพราะว่าหมู่สัตว์นั้นเป็นสัตว์ที่เดือดร้อนเป็นสัตว์ที่ทุกร้อนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยปกติโดยมากตัวเขาเองเข้าไม่รู้หรอกเขาร้อนร้อนจนไม่รู้ว่าร้อนเป็นยังไงเห็นไหมเพราะปกติอยู่ด้วยกับอันน้นชินกับความร้อนเหมือนคนเกิดมาที่ป่วยมาตั้งแต่เกิดเลยก็เลยยังไม่รู้ว่าไอ้หายป่วยนี่มันเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าก็เมื่อพระองค์หายจากพิษภัยโรคภัยทุกชนิดได้แล้วพระองค์ก็ปราลบว่าสัตว์อื่นเป็นสัตว์ที่ป่วยควรได้รับความกรุณาควรได้รับความอนุเคราะห์ควรได้รับความสงเคราะห์พระะนนั้พระองค์จึงเสด็จไปเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์มวลมูลเวนิยสัตว์ทั้งหลายการอนุเคราะห์ของพระองค์นั้นอนุเคราะห์ทั้งโดยความประพฤติ ท, ทางกายโดยคําสอนที่แสดงออกมาทางวาจาขณะเดียวกัน พระองค์ก็ยังฝากพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ในโลกเพื่อเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อไปฮั้นตอนนี้พระพุทธเจ้าก็คือคำสอนที่พระองค์สอนนั่นแหละตอนนี้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพระพุทธเจ้านี่แหละที่เราเรียกว่าพระธรรมเนี่ยนะตอนนี้พระพุทธเจ้ากับพระธรรมนั้นถ้าดูตามลักษณะก็คือสิ่งเดียวกัน คำว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงผู้ที่แสดงพระปริยัติธรรมปริยัติธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราถ้าจะกล่าวโดยชอบตอนนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่พระปริยัติธรรมพผนใครที่ตําหน์พระปริยัติธรรมก็เท่ากับตําหน์พระพุทธเจ้าเพราะปริยัติธรรมนั้นเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าปริยัตเหล่านั้นปฏิรูปเมื่อไหร่ปฏิรูปแมาแปลว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเสียหายเมื่อใดอันนั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านั้นของพระพุทธเจ้านั้นจะถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีคําว่าผิดพลาดแม้เท่าปลายขนทรายนั้นปริยัติธรรมนั่นแหละคือตอนนี้นะปริยัตคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือปริยัตนั้น พระองค์จึงบอกว่าพระธรรมที่พระองค์สอนนั่นแหละเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราเมื่อเรารู้จักพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ารู้เท่าไหร่ใครที่จะไม่เลื่อมใสในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่มีที่ไม่เลื่อมใสในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างหลายท่านที่ไม่ยอมอ่านพระไตรปิฎกไม่ยอมอ่านไม่ยอมฟังไม่ยอมคน้นคว้าก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้า ถ้าเขารู้จักความดีของพระพุทธเจ้ารู้จักพระปัญญาของพระพุทธเจ้ารู้ว่าพระพุทธเจ้าหวังดีประสงค์ดีแค่ไหนพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเพียงใดพระองค์ทําทั้งหมดเพื่ออะไรกันแน่ถ้าผู้ใดเข้าใจขนาดนั้นที่จะไม่ศึกษาไม่อ่านไม่ค้นคว้าไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนไม่มีรองแต่เนื่องจากไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระคุณของพระองค์ ก็เลยปฏิเสธพระปริยัติธรรมปฏิเสธคําสอนแต่ถึงอย่างนั้นก็ช่างเถอะพระพุทธเจ้าก็คือสุขโตอยู่แล้วคือผู้ไปดีแล้วพระองค์ผู้ทํากิจในโลกทํากิจส่วนตนของพระองค์เองขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังทําพุทธกิจสงเคราะห์อนุเคราะห์มวลเวนัยสัตว์ได้เสร็จสิ้นเชิงพระองค์ก็เสร็จไปดีแล้วเหมือนอาทิตย์ที่ส่องสว่างในโลกส่องสว่างทํากิจส่องสว่างเสร็จแล้ว เมื่อได้เวลาอาทิตย์ก็ลับหายไปโดยที่ไม่ได้มีสิ่งใดในโลกไปแปลเปื้อนดวงอาทิตย์เลยฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพระองค์ได้ทํากิจในในของพระองค์ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ดับขันปรินิพานน่ยนะพระองค์จึงดีใจมากที่พระองค์ได้ดับขันปรินิพานเพราะว่าปลงภาระสักทีหนึ่งนะถอดถอดภาระหมดภาระหมดความทุกข์ความลําบากสักทีหนึ่งหมดความลําบากในการ บริหารขันสักทีหนึ่งนะจบสิ้นสัทีหนึ่งเหมือกันเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าใครที่หายโรคเนี่ยนะวันใดที่เป็นวันที่หายโรคอย่างติดทิ้งเลยถามว่าวันนั้นเป็นวันที่น่าเสียใจไหมเนี่ยนะปวดหัวมากจนหัวจะแตกอยู่แล้วเนี่ยนะบอกว่าอีกสามนาทีจะหายเด็กขาดเลยติดทิ้งเลยเสียใจไหมที่จะหายเด็กขาดอย่างนั้นไม่เสียใจพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพระองค์จึงไม่ได้อะไรใหญ่ดีในร่างกายของพระ อ, องค์แม้แต่นิดเดียว ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันของพระองค์ไม่ได้มีอะไรอย่างสิ้นเชิงเพราะพระองค์มองเห็นว่าขันห้าก็คือตัวโรคตัวโรคนั่นแหละคือขันห้าขณะเดียวกันความที่พระองค์เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มวลสัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์นาคเป็นต้นนั้นพระองค์จึงอธิษฐานให้รูปประคันของพระองค์เนี่ยเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกต่อไป ด้วยอธิษฐานให้เป็นพระสารีริกธาตุเนี่ยนะสารีรธาตุสารีริกธาตุเป็นพระธาตุในส่วนผมขนเป็นพระธาตุในส่วนฟันพระธาตุในส่วนกระดูกเป็นต้นพระธาตุเหล่านี้ก็กระจัดกระจายเพื่อให้มนุษย์เทวดาเป็นต้นได้บูชาสการะอันนั้นก็ด้วยพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ว่าการบูชาการกราบไหว้ของเขาเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ในอนาคตต่ตอไป ผู้ที่ได้อุปนัยสัยเพียงแค่ไหายพระธาตุพวกเหล่านี้ก็เรียกว่าธาตเวเนยเนี่ยนะหมายคือว่าเหมือนอย่างว่าลูกบางคนเนี่ยนะสอนไม่ได้ยามเมื่อพ่อแม่มีชีวิตอยู่จะได้อยู่บ้างก็เขียนเขียนจดหมายทิ้งไว้ฝากไว้กับข้างๆกองกระดูกเนี่ยนะก็เออลูกบางคนพอเห็นกระดูกก็เลยมาอ่านจดหมายของพ่อของแม่บอกโอ้พ่อแม่ดีอย่างนี้ก็ได้แต่อะไร พวกนี้ก็ได้แต่เสียใจในภายหลังจะไปทําอะไรได้เพราะตอนนั้นไม่ได้สนใจอาญยดีอะไรเลยฉันใดพวกเราทั้งหลายก็ยังเฝ้าวัดตะกันอยู่นี่แหละตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชนอยู่ก็ไม่รู้ไปทําอะไรกันอาจจะทําคล้ายๆกับที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็ได้อ่นะเพราะทุกวันนี้โดยมากเราทําอะไรอยู่ก็คงกับพอรู้กันนะนัรู้พอรู้ไหมว่าเพียงพอไหมที่จะดับทุกข์อาจจะทําคล้ายๆแบบนั้นก็ได้หรือคล้ายๆที่ทําในชาตินี้ทั้งชาติมาเนี่ยนะ พอทําทลักษณะแบบนี้ตอนนี้พอรู้ตัวอยู่บ้างก็เห็นนี่แหละซากสถูปเจดีกลมบ้างเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างแปดเหลี่ยมบ้างข้างๆก็มีตู้จดหมายกองโตพนันเทินทึกเรียกว่าพระไตรปิฎกมาไว้ให้อ่านอ่านไปอ่านมาก็โอ้ยหนักใจเหลือเกินทําไมเยอะขนาดนี้ตำหนีิพระพุทธเจ้าอีกนะว่าโอ้ยนีเทสตะทำไมมันมากมายขนาดนี้มันของเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ น่าการุณาจริงๆอันนี้ยน่าการุณามากเกิดมารุ่นหลังอีกแล้วก็ห่างก็ห่างอ่านก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยางบนยังตำเนยียอยู่นั่นแหละอ น, นี้ควรแล้วที่จะอยู่ได้นานขนาดนี้นที น, นี้พระธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะก็ที่พระองค์แสดงไว้พระองค์ไม่ได้เหมือนกับว่าการเขียนเขียนหนังสือเอาไว้ให้คนรุ่นหลังเขียนเอาไว้ให้คนมีตาเขาอ่านฉันใดพระพุทธเจ้า ฝากฝังคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดให้อนุชนรุ่นหลังสำหรับคนที่มีบุญเก่าที่สั่งสมบุญไว้ดีแล้วเขาเหล่านั้นจะได้อ่านเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะ่ไปเอาคนที่ไม่อ่านเป็นประมาณเลยคนไม่อ่านมีตาก็เหมือนกับไม่มีตาเนี่ยนะเอาเป็นประโยชน์อะไรไม่ได้มีเอาไว้เช็ดขี้ตาไปวันวันนึงเนี่ยนะก็ก็น่าสงสารอยู่เท่านั้นแหละ แต่ว่าคนที่มีตาเนี่ยนะอาศัยตาเหล่านี้มาอ่านคำสอนก็เป็นทัศนานุตริยะอันนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อก้าวล่วงโศกกะปริเท е วะเพื่อดับไปแห่งทุกข์และโทมานั์เพื่อบรุญญาธรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งในอนาคตต่อไปขณะเดียวกันก็ยังมีคนพ่านทั้งหลายมากล่าวว่ายังไม่เคยเห็นใครอ่านพระไตรปิฎกแล้วบรรลุเลยเนี่ยนะคนผ่านทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้จริงๆ เป็นคนที่มีปกติส่อเสียดเสียดสีไม่รู้ว่าเอาจะงอยปากนไปทิ่มแทงดวงอาทิตย์เนี่ยนะจะเดือดร้อนขนาดไหนไม่ทราบเมันนานาโคตต่อไปก็เลยปากบิดปากเบี้ยวเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะที่เราเคยเค ย, เคยเห็นเห็นกันอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะฉนั้นผู้ที่ไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วเนี่ยนะเราจึงเอาเป็นประมาณไม่ได้เอามาเป็นอนุสติได้อย่างเดียวคือเอาไว้เจริญมรณ า, านุสติเนี่ยนะไว้เจริญอ น, อนุสติอย่างอื่นไม่ได้ มันผู้ที่พยายามที่จะมอบกายมอบตนให้แก่พระรัตนตรังทีนี้พระรัตนตรัยดังที่กล่าวไปโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าตอนนี้ถ้าตั้งคาถามว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ประทับอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนบอกอยู่ที่พระธรรมพระธรรมอยู่ในหนังสือหรืออยู่ที่ตู้หรืออยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่า ผู้ใดทรงจำพระธรรมนั้นได้แล้วปฏิบัติตามนั้นได้พระพุทธเจ้าประทับอยู่กับผู้นั้นนั่นแหละอยู่ที่ใจของผู้นั้นนั่นแหละใจที่เป็นกุศลใจที่ทรงจำคำสอนได้ใจที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเหล่านั้น <t> <t> ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้นเขาก็ตรัสรู้อริยสัจ ต, ตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าอนุพุทธะอนุพุทธะเขาเหล่านั้นก็เรียกว่าพุทธสาวก พุทธสาวกนับตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปผู้ผู้เหล่านั้นก็เป็นพระอริยะบุคคลที่พระองค์ได้สงเคราะห์ช่วยเหลือเขาจนสำเร็จทีนี้ย้อนกลับมาหาพวกเราทั้งหลายนะพวกเราทั้งหลายเราได้อะไรบ้างจากพระพุทธศาสนาบอกว่าเออได้ยินได้ฟังได้อ่านเราอ่านกี่หน้าแล้วหนา อ, อ่านมากผ่านตาไปมากหรื อ, ออ่านมากหรื อ, อยังไงก็ไม่ทราบ ก็มาดูว่าตรงนั้นแหละคือสมบัติแท้ๆของเราที่ได้มาจากพระพุทธเจ้าผ่านหูมากี่กี่กี่เสียงแล้วที่เป็นคําสอนหลายท่านมากล่าวบอกเข้าฟังธรรมเยอะมากเขาแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นอธรรมแต่ว่าสรุปว่าผ่านหูมามากบางคนก็ผ่านตา ม, มามากผ่านหูมามากแต่ว่าไม่ได้เข้าถึงใจทีนี้เอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นได้เข้าถึงใจของเขาแล้วอะไรเนอะเป็นเครื่องวัดถ้ามีผู้ถามว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนตลอดระยะเวลา45พันษาที่เรียกว่ า, าศาสนาพรหมจันทร์เหล่านี้เนี่ยนะถ้าประชุมสรุปโดยย่นย่ อ, ยอลงมาก็คือสิกขาสามเนี่ยนะสิกขาสาม คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยจะแสดงอะไรตั้งแต่พันแรกตรัสรู้จนถึงดับขันปริณิพานสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือศิกขาสามสิกขาสามนี่แหละเป็นมรรคาที่พระพุทธเจ้าดําเนินด้วยพระองค์เองถึงความดับทุกข์พระองค์ก็มาบอกให้ผู้อื่นดําเนินตามมรรคาคือไตรศิกขาเหล่านี้จนถึงความดับทุกข์ด้วยของเรานั่งอยู่นี้ชื่อว่าเดินทางอยู่ไหม เดินทางเดินไปไหนกัน <c oughs> มันมีทางไปสู่คติห้าและทางไปสู่ความพ้นคติเรียกว่าทางไปสู่พ้นคติเรียกว่าอัคติเนี่ยนะอัคติแปลว่าไม่มีคติหรือพ้นจากคติอัคติมีหลายในนะแต่ตรงนี้หมายคำว่านยะที่พ้นจากคติทั้งห้ากายทุจริตสามวจีทุจริตสี่มโนทุจริตสาม เป็นหนทางเป็นมรคาไลไปสู่นรกไลไปสู่กําเนิดของความเป็นเปรตไลไปสู่เดราชานอากุศลกรรมบททั้งหลายเนี่ยเป็นมรคผู้ใดล่วงกรรมบทเมื่อไหร่ขณะนั้นเขาชื่อว่ากําลังเดินทางเพื่อดิ่งไปสู่อบายภูมินนเนี่ยส่วนผู้ที่ตั้งมันนรรมงงม่นอยู่ในกุศลกรรมบททั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมบททั้งหลายเขาก็ชื่อว่าเดินทางเดินไปไหน ไปสู่มนุษย์และเทวดาขณะเดียวกันผู้ใดที่เจริญอณาพิชชาจนได้ฌานเจริญอัพยาบาตรจนได้ฌานพวกนี้ก็เดินทางไปสู่เทวดาคือพรหมคำว่าเทวดาตรงนี้เทวคติรวมถึงพรหมด้วยผู้ใดที่เจริญปัญญาในระดับสูงเป็นต้นระดับต่อไปก็เข้าถึงอรูปพรหมพันกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ทุกคนกาลังทาอยู่นี่คือการเดินทาง นี้การเดินทางเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นการเดินทางเพื่อพ้นวัตตะหรือแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเรากำลังเดินทางเพื่อพ้นจากวัตตะก็บอกว่าบางคนบอกว่าก็าฉันกำลังเจริญปัญญาอยู่นี่แหละปัญญามีอะไรเป็นเหตุใก ล, ล้มีสมาธิเป็นเหตุใก ล, ล้และสมาธิมีอะไรเป็นเหตุใก ล, ล้สรุปมีศีลเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะมีศีลเป็นเหตุใกล้แล้วเราทั้งหลายมีศีลละคนละเท่าไหร่ ล้วตั้งคาถามว่าศีลคืออะไรก่อ น, อ น, นเจตนาศีลตั้งแต่เช้าท่านก็นตื่นมาเงียงเงียงงเงียขึ้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคิดถึงเจตนาศีลกี่ครั้งเนี่ยนะเพราะตัวที่เรารักษาเนี่ยนะเรารักษาให้คนชมหรือเรารักษาใจของเรากันแน่ก็ต้องรักษาใจของเราแล้วใจของเราที่เป็นไปกับศีลเราละลึกถึงศีลบ่อยไหมละลึกถึงเจตนาศีล เจตนาสัตว์ทั้งหลายคืออารัมมณปัจจัยของศีลของเราเราจะไม่ฆ่าเขานะนี่คือศีลของเราที่เราตั้งใจจะรักษาเรารักษาว่าทรัพย์ของผู้อื่นก็จงขอให้เป็นของผู้อื่นตลอดไปอันนี้ก็คือเรารักษาเจตนาตัวนี้เรารักษาเจตนาว่าครอบครัวของผู้ใดก็จงอยู่ด้วยความผาสุกเถิดเนี่ยนะอยู่ด้วยความผาสุกเถิดอันนั้นก็เป็นเจตนาศีลคาพูดที่เราพูด เราจะกล่าวแต่คำสัตย์คำจริงคำพูดนั้นไม่เป็นไปเพื่อความแตกแยกคำพูดนั้นไม่ใช่เอาไปไว้ทิ่มหูคนอื่นให้เขาใจเดือดร้อนเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยประโย ช, case, โยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งนเยเครื่องเครื่องมนเมาเครื่องที่ทาให้กลายเป็นคนผิดปกตินี่เลย จากมนุษย์ดีๆกลายเป็นคนบ้าไปภายในทันทีเนี่ยนะก็เลิกลาสิ่งนั้นไปก็เห็นคนดื่มสุราไหมคนปกติดีๆเนี่ยนะกลายเป็นคนบ้าภายในไม่กี่นาทีเลยนะพอมาอยากให้เขาถ่ายวิดีโอไว้จังใครที่เป็นเมาแล้วก็ถ่ายวิดีโอสังเมาแล้วก็มาดูนะว่าตัวเองไปทําอะไรมาบ้างนะไปแสดงกิริยาอาการยังไงไปทําตัวยังไงไปพูดกับใครกิริยาอาการเป็นยังไงว่างๆแล้ว เ, เอาเปิดวิดีโอดูนะ่ย เปิดวิดีโอดูชวนลูกชวนร้านพาครอบภาครัวทั้งหมดมานั่งดูกันวันนี้ผลงานของพ่อของแม่สมัยนั้นแหะตอนที่ดื่มน้ําเมาเนี่ยนะตอนที่ยาบ้ามันเข้าสิงตอนที่น้ําบ้ามันเข้าสวมนี่ยนะก็เลยเป็นอย่างนี้แหละท่านก็เราทั้งหลายทําไมจะต้องไปทําตัวเองให้ให้ให้ใหวิบวิปริตแปรปรวนไปขนาดนั้นไม่นานได้เดิน่าผ่านพานมาก็บอกร้านกระทะทองแดงว่าเงินไม่ได้แปลว่าคนกลัวเนี่ย แปลว่าคนที่ยินดีที่บอกว่าไหนๆจะไปทองแดงแล้วก็ขอชิมดูก่อนนะนะขอชิมดูน้ําทองแดงดูก่อนพวกนี้ก็เหมือนกันนะไม่ได้กลัวอะไรเลยแต่ก็เธอเราไม่ต้องแช่งก็หรอกเพราะอีกไม่นานสักเท่าไหร่นะตอนนี้โรงเรียนที่เขากําลังส่งเสริมเพื่อให้คนเนี่ยขอความอนุเคราะห์ขอความเมตตาจากคนมีสติหน่อยช่วยสงเคราะห์คนปัญญาอ่อนด้วยเถอะเนี่ยนะ เด็กปัญญาอ่อนมีมากเหลือเกินเด็กที่วิปริตแปรปรวนก็มีมากคนโตมาระดับหนึ่งจิตใจผิดปกติก็ไม่ใช่น้อยเมื่อเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้ทำไมเราจะต้องทำบาปให้แกตัวเองในอนาคตเจตนาตัวนี้เราสมาทานเอาไว้กระจายจนมั่นคงไหมว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามสีเหล่านี้จะต้องเจตนาเหล่านี้จะต้องยั่งยืนยนะเจตนาเหล่านี้จะต้อง ยั่งยืนจะต้องแน่นอนจะต้องมั่นคงหรือบางคนก็เลยทงอีกเอากรศสินเป็นอนัตตามันจะขาดบ้างทะลุบ้างก็ช่างมันเนี่ยนะก็ก็งั้นก็ถ้าคุยอย่างนี้ก็คุยด้วยกันไม่ได้แล้วขอให้ทุกคนไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถออย่ามาคุยกันเลยเนี่ยนะแต่อันนี้พูดถึงว่าคนที่รู้จักบุญรู้จัก บ, บาปรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์แล้วก็ตั้งใจสมาทานศีล นนะรักษาเจตนาบางคนก็เลยทงอีกบอกเจตนาไม่ใช่มักมีองแปดเขาว่างั้นไปรักษามันทำไม น, นนะกอกโอ้โทษของวัตตะพันตัวเจตนาเนี่ยพระพุทธในปฏิสัมพิธามมรรคท่านกล่าวว่าเจตนาคือเนีนรักษากุศลเจตนาไว้เธอในเบื้องต้นเจตนาที่สมมาทานวิรัต์งดเวน้นไม่บรรลุพระนิพพานก็จริงแต่ศีเลนะนิพุติยันติ ศีลเหล่านี้เป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานในบ้านปลายใ ห, ให้สมทานเอาไว้ให้ดีพันเจตนาศีลของเราเนี่ยนะเรามีเจตนาที่เว้นจากความชั่วอะไรบ้างอารติวีรติป่าป่าเจตนาที่เว้นจากบาปเจตนาที่ตั้งไว้เพื่อจะเว้นจากอกุศลทั้งมวลเจตนาเหล่านั้นเรามีกี่อย่างเรามาไล่ดูเจตนาที่เป็นทรัพย์ของเราแท้ๆเลยนะที่เป็นทองแท้อนนะ ที่เหลือมันทองปลอมเนี่ยนะศีลก็เหมือนกันเจตนาแท้ๆคือเจตนาที่เว้นจากความชั่วทั้งหลายเจตนาที่ เ, เว้นไม่ล่วงละเมิดต่อความชั่วเจตนาตัวนี้เกิดกี่ครั้งต่อวันหนึ่งศีลก็เกิดเท่านั้นนะที่เหลือถ้าเจตนาเหล่านั้นไม่เกิดก็ไม่ใช่ศีลเพราะเจตนาคือศีล น, นี่ข้อที่หนึ่งที่สองเจตนาที่ตั้งใจจะเจริญกุศล ที่จะประพฤติวัดปฏิบัติจเจริญคุณงามความดีทำความดีกับพ่อกับแม่เจตนาเหล่านี้เรารักษาไหมนะที่เรียกว่าเจตนาศีลเจตนาที่ตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติเจตนาตั้งใจที่จะทำคุณงามความดีประพฤติความดีทางกายประพฤติความดีทางวาจาไม่ล่วงละเมิดความชั่วทางกายและวาจายอมคนหนึ่งกขบอกว่าเขากาลังยุ่งมากดูแลแม่บอกอยางงี้ไม่ยุ่งหรอก เนี่ยนะเพราะว่าถ้าการดูแลพ่อแม่ถือว่าเป็นเรื่องยุ่งเรื่องยากเลยถือว่าไม่มีอะไรที่ที่จะไม่ยุ่งเลยที่เหลือยุ่งกว่านั้นอีกหลายพันล้านเท่านักเหมือนกันนะเพราะนั้นการเกี่ยวข้องกับพ่อแม่เนี่ยการสะสารความยุ่งเหยิงยิ่งใครที่ทํากิจบํารุงบิดามารดาเป็นต้นเนี่ยทำกิจสะสารความยุ่งเหยิงทั้งปวงถ้าเขาไม่ทํานี่สิกําลังทําให้มันยุ่งนะเพราะคนที่เสียใจส่วนหนึ่งก็เพราะไม่ได้ จเจริญจารีตศีลเหล่านี้ฉะั้นการจเจริญคุณงามความดีกับพ่อกับแม่กับครูอาจารย์กับลุงป้านะ้าอาผู้มีพระคุณบุพการีชนทั้งหลายอันนี้เป็นการแก้ปัญหาความยุ่งต่อไปยุ่งอะไรยุ่งใจไงแก้ปัญหาความยุ่งยากทางจิตวิญญาณในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่แก้ด้วยการจเจริญกุศลเหล่านี้ให้ดีจิตวิญญาณของเข้ า, ขามันจะวุ่นไง เป็นเป็นจิตวิญญาณที่เดือดร้อนมากเป็นวิญญาณพเนจรไปในวัฏฏะพบน้อยพบใหญ่เนี่ยก็จุติปฏิสนที่อะไรจุติเอาวิญญาณไม่ใช่เหรอจุติจิตไงว่าวิญญาณเน่ะ